พระไตปิดกเล่มที่19สังยุตตนิกายมหาวารวัคสังยุตที่สี่อินเทียสังยุตรหรืออินสียสังยุตรประมวลเรื่องอินรีห้าคือธรรมะอันเป็นเรื่องใหญ่ในหน้าที่ของตนได้แก่ศรัทธาวิริยาสติสมาธิและปัญญา พระผู้มีพระภาคได้ตรัสดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายอินรีห้าประการนี้คือสัตทินรีอินรีคือสัทธาวิริยินรีอินรีคือวิริยะสตินสีอินรีคือสติสมาถินรีอินรีคือสมาธิและปัญญินรีอินรีคือปัญญา เมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากอินทรีห้าประการนี้ตามความเป็นจริงเมื่อนั้นอริยสาวกนี้เรากล่าวว่าเป็นโสดาบันไม่มีทางตกตำ่ำคือไม่ตกไปในอบายสีคือนรกกำเนิดสัติรชานแดนเปรตและพวกอสูร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 อยู่จบพรมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภาวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบภิกษุทั้งหลายอินสี่ห้าประการนี้คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญา สมณะพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากอินทรีห้าประการนี้ตามความเป็นจริงสมณะพราหมณ์เหล่านั้นเราไม่จัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะไม่จัดว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ทั้งท่านเหล่านั้นก็ไม่ทําให้แจ้งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือประโยชน์แห่งความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายส่วนสมณพราหมณ์เอาได้เหล่าหนึง่งรู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากอินทรีห้าประการนี้ตามความเป็นจริงสมณพราหมณ์เหล่านั้นเราจัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะและจัดว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ทั้งท่านเหล่านั้น ก็ทำให้แจ้งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะและประโยชน์แห่งความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายอินทรีห้าประการนี้คือสัตทินรีวิริยินรีสัตตินสีสมาทินรีและปัญญินรีพึงเห็นสัตทินรีอินทรีคือศรัทธา พึงเห็นได้ในองค์เครื่องบรรลุโสดาสีประการพึงเห็นวิรยอินสีอินรีคือวิริยะพึงเห็นได้ในสัมมารประธานสีประการพึงเห็นสตินสีอินรีคือสติพึงเห็นได้ในสติประทานสีประการพึงเห็นสมาธินสีอินรีคือสมาธิ พึงเห็นได้ในฌานสี่ประการพึงเห็นปัญญีสีอินรีย์คือปัญญาพึงเห็นได้ในอริยสัจสี่ประการสัจจินรียอินทรีย์คือศรัทธาเป็นอย่างไรคืออริยาสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธา เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอระหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเทียบพร้อมด้วยวิชาและเจรณ ะ, สะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค ผู้มีศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธคุณนี้ข้อนี้เรียกว่าสัททินสีอินรีคือศรัทธาวิริยินรีอินรีคือวิริยะเป็นอย่างไรคืออริยาสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประรบความเพียรเพื่อละอกุศลละธรรมเข้าถึงกุศลละธรรมมีความเข้มแข็ง มีความบากบัตรมั่นคงไม่ทอธุระในกุศลธรรมอยู่นี้เรียกว่าวิริยินรียสตินสินรียเป็นอย่างไรคืออริยส า, าวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่งประลึกนึกถึงสิ่งที่ทำคำที่ได้พูดไว้นานบ้างนี้เรียกว่า สตินีสมาธินีอินรีคือสมาธิเป็นอย่างไรคืออริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ทำนิพพานให้เป็นอารมณ์แล้วได้สมาธิได้เอกคัตตาจิตนี้เรียกว่าสมาธินีปัญญรีเป็นอย่างไรคืออริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชัแรา ก, กิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เรียกว่าปัญญีสีพระผู้มีพระภาคทรงจำแนกอินทรีห้าประการด้วยอีกนัยยะหนึ่งดังนี้สัจทินี อินทรีคือศรัทธานั้นคืออริยาสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตวิริยอินทรียคืออริยาสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเข้าถึงกุศลลธรรมมีความเข้มแข็งมีความบากบัน่นมั่นคง ไม่ทอดทุระในกุศลธรรมเธอสร้างฉันทะพยายามปราบรความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นมุ่งมั่นเพื่อละบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วมุ่งมั่นเพื่อทํากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นมุ่งมั่นเพื่อความดํารงอยู่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 ระลึกนึกถึงสิ่งที่ทาคําที่ได้พูดไว้นานบ้างเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายพิจารณาเห็นจิตในจิตพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้นี้เรียกว่าสตินี สมาธินีเป็นอย่างไรคืออริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ทำนิพพานให้เป็นอารมณ์ได้สมาธิได้เอกะขะตาจิตเธอสงัดจากกามและอกุศลละธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารณ์มีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารณ์สงบระงับไปบรรลุทุติยฌาน มีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เพราะปีติจางคลายไปเธอมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตัติยชฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขา มีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขละทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วเธอบรรลุจตุทัตตฌานที่ไม่มีทุกข์และไม่มีสุขมีสติบริสุทธ์เพราะอุเบกขาอยู่นี้เรียกว่าสมาทินสีปัญญสีคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยสำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกขโดยชอบเธอรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยเหตุเกิดทุกนี้ทุกขานิโรธความดับทุกขนี้ทุกขานิโรธคามิหนีปฏิปทานี้ข้อปฏิบัต เพื่อให้ถึงทางดับทุกข์นี้เรียกว่าปัญญีมูทุตะรวักหมวดว่าด้วยอินทรีย์ที่อ่อนกว่าว่าด้วยการได้อินทรีย์ภิกษุทั้งหลายอินทรีย์ห้าประการคือสัทธาวิริยะสติสมาธิ และปัญญาสัตทินสีเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นเป็นพระอรหรันตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและเจรณ ะ, สะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารธีฝึก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 คืออริยสาวกปรารบสติปทานสี่ประการย่อมได้สติสมาธินสีคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ทำนิพพานให้เป็นอารมณ์แล้วได้สมาธิได้เอกคตาจิตปัญญรีคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญา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 สมาธิและปัญญาภิกษุทั้งหลายบุคคลเป็นพระอรหันต์เพราะมีอินทรีย์ห้าประการนี้ครบถ้วนบริบูรณ์เป็นพระอนาคามีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอรหันต์นั้นเป็นพระสกทาคามีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามีนั้นเป็นพระโสดาบันเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระสกทาคามีนั้น เป็นพระโสดาบันผู้ธรรมานุสาวรีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระโสดาบันนั้นและเป็นพระโสดาบา huh านันผู้ศรัทธานุสาวรีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระโสดาบันผู้ธรรมานุสาวรีนั้นภิษุททั้งหลายความแตกต่างแห่งผลย่อมมีเพราะความแตกต่างแห่งอินทรีย์ ความแตกต่างแห่งบุคคลย่อมมีเพราะความแตกต่างแห่งผลอย่างนี้บุคคลผู้บำเพ็ญอรหัตตมรรคให้บริบูรณ์ย่อมได้บรรลุอรหัตตผลบุคคลผู้บำเพ็ญมรรคทั้งสามที่เหลือให้บริบูรณ์ย่อมได้บรรลุผลทั้งสามดังกล่าวนี้ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวอินทรีย์หประการว่า ไม่เป็นหมันเลยว่าด้วยผลแห่งอินทรีย์โดยพิสดารภิกษุทั้งหลายบุคคลเป็นพระอรหันต์เพราะอินทรีย์ห้าประการนี้ครบถ้วนบริบูรณ์เป็นพระอนาคามีผู้อันตราเปรินิพายีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอรหันต์นั้น และโดยในยาเดียวกันเป็นผู้มีอินทรีย์อ่อนกว่าตามลำดับดังนี้นะครับเป็นพระอนาคามีผู้อุปหัดจะปริณิพายีเป็นพระอนาคามีผู้อสังขาระปริณิพายีเป็นพระอนาคามีผู้สังขาระปริณิพายีเป็นพระอนาคามีผู้อุทังโสโตอกานิธคามี เป็นพระสกท า, าคามีเป็นพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันผู้รรมนุสารีและโดยที่สุดเป็นพระโสดาบันผู้ศรัทธานุสารีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระโสดาบันผู้รรมนุสาวรีนั้นภิกษุทั้งหลายความแตกต่างแห่งผลย่อมมีเพราะความแตกต่างแห่งอินทรีย์ความแตกต่างแห่งบุคคล ย่อมมีเพราะความแตกต่างแห่งผลอย่างนี้บุคคลผู้บำเพ็ญอรหัตตมักให้บริบูรณ์ย่อมได้บรรลุอรหัตผลบุคคลผู้บำเพ็ญมักทั้งสามที่เหลือให้บริบูรณ์ย่อมได้บรรลุผลทั้งสามดังกล่าวนี้ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวอินทรีย์ห้าประการว่าไม่เป็นหมันเลย ว่าด้วยผลแห่งการปฏิบัติตามลำดับอินซีอินซีห้าประการคือศรัทธาบิริยะสติสมาธิและปัญญาบุคคลเป็นพระอรหันต์เพราะมีอินซีห้าประการนี้ครบถ้วนบริบูรณ์เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตตผลเพราะมีอินซีอ่อนกว่าพระอรหันต์นั้น และโดยในยาเดียวกันมีอินทรีย์อ่อนกว่ากันตามลำดับดังนี้เป็นพระอนาคามีเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลเป็นพระสกทาคาามีเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทาให้แจ้งสกทาคามิผลเป็นพระโสดาบันเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลนั้นเป็นผู้ปฏิบัติ เพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิพลเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระโสดาบันนั้นภิกษุทั้งหลายผู้ใดไม่มีอินทรีย์ห้าประการนี้โดยประการทั้งปวงผู้นั้นเรากล่าวว่าเป็นผู้เหินห่างอยู่ในฝ่ายปุถุชนว่าด้วยผู้สมบูรณ์ด้วยอินทรีย์ สมัยหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งเข้าเฝ้ากราบทูลถามเรื่องนี้ว่าด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอินทรีตรัสว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสัจจินทรียีให้ถึงความสงบให้ถึงความตรัสรู้เจริญวิริยินทรีที่ให้ถึงความสงบให้ถึงความตรัสรู้ จเจริญสตินซีจเจริญสมาธินซีจเจริญปัญญินซีที่ให้ถึงความสงบให้ถึงความตรัสรู้ด้วยเหตเพียงเท่านี้แหละภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอินรีว่าด้วยธรรมะเป็นเหตให้สิ้นอาสวะภิกษุทั้งหลาย อินสีห้าประการคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาภิกษุทั้งหลายภิกษุทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเพราะอินสียห้าประการนี้ที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้ว จะลินทริยวักหมวดว่าด้วยอินรีหกว่าด้วยเหตุที่ทำให้ไม่มีพกใหม่พระผู้มีพระภาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอินรีห้าประการนี้คือสัตทินรีจนถึงปัญญินรีนั้นภิกษุทั้งหลายตราบใดเรายัางไม่รู้ชัดความเกิดความดับ คุณโทษและเครื่องสลัดออกจากอินทรีห้าประการนี้ตามความเป็นจริงตราบนั้นเรายังไม่ยืนยันว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกรมโลกในหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์แต่เมื่อใดเรารู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษ และเครื่องสลัดออกจากอินทรีห้าประการนี้ตามความเป็นจริงเมื่อนั้นเราจึงยืนยันว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรห ม, มโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์อันหนึ่งญาณทัศนาเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าวีมุดของเราไม่กำเริบ ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกว่าด้วยชีวิตอินรีภิกษุทั้งหลายอินรีสามประการนี้อินรีสามประการอะไรบ้างอิทธินซีอินรีคืออิทธิภาวะปุริสินรี อินทรีคือปุริสภาวะชีวิตอินทรีอินทรีคือชีวิตอินทรีสามประการนี้แหละว่าด้วยอันยินทรีภิกษุทั้งหลายอินทรีสามประการนี้คืออนัญญาตัญญสามีตินทรีอินทรีของท่านผู้ปฏิบัติโดยมุ่งว่า โปรดจักรู้สัจธรรมที่มิได้รู้อันยิญรียอินทรียคือปัญญาอันรู้ทั่วถึงและอัญญาตาวินทรียอินทรีย์ของท่านผู้รู้ทั่วถึงแล้วว่าด้วยพระเอกะพีชีโสดาบันภิกษุทั้งหลายอินทรีห้าประการคือสัทธาวิริยะ ตติสมาธิและปัญญาคือสัตทินซีจนถึงปัญญินซีนั้นบุคคลเป็นพระอรหันต์เพราะมีอินซีห้าประการนี้ครบถ้วนบริบูรณ์และโดยในยะเดียวกันคือมีอินซีอ่อนกว่ากันตามลำดับดังนี้นะครับพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายีเพราะมีอินซีอ่อนกว่าพระอรหันต์นั้น พระอนาคามีผู้อุปหัดจะปริณิพายีพระอนาคามีผู้อสังขาระปริณิพายีพระอนาคามีผู้สังขาระปรินิพายีพระอนาคามีผู้อุทธังโสโตโอกนิทะคามีพระสกทาคามีพระเอกพีชีโสดาบัน หมายถึงท่านที่เกิดอีกครั้งเดียวก็จะบรรลุอรหัตผลเป็นพระโกลังโกละโสดาบันคือผู้ที่เกิดในตระกูลสูงอีกสองถึงสมครั้งหรือเกิดในสุขติภพอีกสองถึงสมครั้งก็จะบรรลุอรหัตผลเป็นพระสัตตะขัตตุป a r a โสดาบันหมายถึงผู้เกิดเจ็ครั้งเป็นอย่างยิ่ง เวียนเกิดในสุขติภพอีกมากอย่างเพียงเจ็ดครั้งก็จะบรรลุอรหัตผลเป็นพระโสดาบันผู้ธรรมานุสาวรีเป็นพระโสดาบันผู้ศรัทธานุสาวรีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระโสดาบันผู้ธรรมานุสาวรีนั้นว่าด้วยอินทรีย์ล้วน ภิกษุทั้งหลายอินรียหกประการนี้คือจะขุนสีอินรีย์คือจกขุปัสสัดโสตินรียอินรีย์คือโสตะปัสสัดคาณินรียอินรีย์คือคาณะปัสสัดชิวหินรียอินรีย์คือชิวหาปัสสัดกายินรียอินรีย์คือกายยะปัสสัดและมานินรียอินรีย์คือใจ จักขูคือตาโสตะคือหูขานะคือจมูกจิวหาคือลิ้นคำว่าปัสสร์ในที่นี้สะกดด้วยปอปา่าสอเสือสละอาทอทหารนะครับภิกษุทั้งหลายเมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากอินทรีหกประการนี้ตามความเป็นจริง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 เป็นผู้หลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่นเมื่อนั้นภิกษุนี้เรากล่าวว่าอยู่จบรมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภาวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบภิกษุทั้งหลายตราบใดเรายังไม่รู้ชัดความเกิด ความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากอินทรีหกประการนี้ตามความเป็นจริงตราบนั้นเรายังไม่ยืนยันว่าเป็นผู้ต ร, รัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกรมมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพรามเทวดาและมนุษย์แต่เมื่อใดเรารู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษ และเครื่องสลัดออกจากอินทรีหกประการนี้ตามความเป็นจริงเมื่อ น, นั้นเราจึงยืนยันว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกร ม, มาโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพรามเทวดาและมนุษย์อันหนึ่งญาณทัศนนาเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าวีมุตของเราไม่กำเริบ ชาตินี้เป็นชาสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกภิกษุทั้งหลายอินทรียหกประการคือตั้งแต่จากคุณซีจนถึงมะนิณซีนั้นสมณพรามณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งไม่รู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากอินทรียหกประการ น, นี้ตามความเป็นจริงสมณพราหมณ์เหล่านั้น เราไม่จัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณนะไม่จัดว่าเป็นพรามในหมู่พรามทั้งท่านเหล่านั้นก็ไม่ทำให้แจ้งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันส่วนสมณะพรามเหล่าใดเหล่านึงรู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากอินทรีหกประการนี้ตามความเป็นจริง สมณพรามเหล่านั้นเราจัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะเป็นพรามในหมู่พรามทั้งท่านเหล่านั้นก็ทำให้แจ้งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือประโยชน์แห่งความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันสมณพรามเหล่าใดเหล่านึงไม่รู้ชัดจากคุณสีความเกิดแห่งจากคุณสี ความดับแห่งจักขคุณสีและปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งจักขคุณสีไม่รู้ชัดโสตินรีคานินรีชิวหินรีกายินรีไม่รู้ชัดมนินรีสมณะพราหมเหล่านั้นเราไม่จัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะไม่จัดว่าเป็นพราหมในหมู่พราหมทั้งท่านเหล่านั้นก็ไม่ทาให้แจ้งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือความเป็นพราหม ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันส่วนสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดจากคุณซีรู้ชัดโสตินรีคานินรีจิวหินรีกายินรีรู้ชัดมนินรีรู้ชัดความเกิดความดับปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งอินรีหกประการ น, นั้นสมณพราหมณ์เหล่านั้น รจัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะและจัดว่าเป็นพรามในหมู่พรามทั้งท่านเหล่านั้นก็ทาให้แจ้งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะและประโยชน์แห่งความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันสุขินเทริยวักหมวดว่าด้วยสุขินสีพระผู้มีพระภาค ปรัสเรื่องอินทรีห้าประการอีกในยะหนึ่งดังนี้อินทรีห้าประการคือสุ ข, ขินทรีอินทรีคือสุ ข, ขเวทนาทุกขินทรีอินทรีคือทุกขเวทนาโสมนัสสินทรีอินทรีคือโสมนัสเวทนาโทมนัสสินทรีอินทรีคือโทมนัสเวทนา และอุเบกินสีอินรีย์คืออุเบกขาอินทรีห้าประการนี้คือสุขเวทนาทุกขเวทนาโสมานัสเวทนาโทมานัสเวทนาและอุเบกขาเมื่อใดอริยาสาวกรู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากอินทรีห้าประการนี้ตามความเป็นจริง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 เมื่อนั้นภิกษุนี้เรากล่าวว่าเป็นอรหันตขีนาศอยู่จบรมั a j a ์แล้วทมกิจที่ควรทำเสร็จแล้วลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภาวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบอินรีห้าประการคือสุขทุกขโสมนัส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 ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันส่วนสมณพราหมลาใดเหล่านึงรู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากอินทรีห้าประการนี้ตามความเป็นจริงสมณพราหมเหล่านั้นเราจัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะหรือจัดว่าเป็นพราหมในหมู่พราหมทั้งท่านเหล่านั้นก็ทำให้แจ้งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะ และประโยชน์แห่งความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันว่าด้วยการจาแนกอินทรีย์อินทรีย์ห้าประการนี้คือสุขขินทรีย์ทุกขินทรีย์โสมนัสสินทรีย์โอมนัสสินทรีย์และอุเปก ข, ขินทรีย์สุขขินทรีย์เป็นอย่างไร ค, ความสุขทางกายความสัมรานทางกายความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขสํารานอันเกิดจากกายสัมผัสนี้เรียกว่าสุขขินซีทุกขินรีเป็นอย่างไรคือความทุกข์ทางกายความไม่สัมรานทางกายความสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์ไม่สัมราญอันเกิดจากกายสัมผัส นี้เรียกว่าทุกขิน4ีโสมนัสสินซีเป็นอย่างไรคือความสุขทางใจความสำราญทางใจความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขสำราญอันเกิดจากมโนสัมผัสนี้เรียกว่าโสมนัสสินซีโงมนัสสินซีเป็นอย่างไรคือความทุกข์ทางใจ ความไม่สําราญทางใจความสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์ไม่สําราญอันเกิดจากมโนสัมผัสนี้เรียกว่าโทมนั ส, สินสีอุเปกขินสีเป็นอย่างไรคือความสวยอารมณ์ทางกายหรือทางใจที่สํารานก็ไม่ใช่ไม่สําราญก็ไม่ใ ช, ใช่นี้เรียกอุเปกขินสี ในอินทรีห้าประการนั้นสุ ข, ขินรีและโทมานาสินรียพึงเห็นว่าเป็นสุขเวทนาทุก ข, ขินรีและโทมานาสินรียพึงเห็นว่าเป็นทุกขเวทนาอุเปกินรีพึงเห็นว่าเป็นอทุกขมสุขเวทนาอินทรีห้าประการนี้เป็นห้าประการแล้วย่อเป็นสามประการเป็นสามประการ แล้วขยายออกเป็นห้าประการโดยปริยายด้วยประการชนนี้ภิกษุทั้งหลายสุขขินซีเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาภิกษุนั้นมีสุขก็รู้ชัดว่าเรามีสุขเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั่นแลดับไปเธอก็รู้ชัดว่าสุขขินซีที่เกิดขึ้น เราอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาที่เสวยอยู่อันเกิดจากผัสสะนั้นดับไปคือสงบไปทุกขินรี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานิกสุนั้นมีทุกก็รู้ชัดว่าเรามีทุกขเพระาะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้นแลดับไปเธอก็รู้ชัดว่า ทุกขินสีที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาที่โวเหยอยู่อันเกิดจากผัสสะนั้นดับไปคือสงบไปโสมนัสสินสีเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสเวทนาภิกษุนั้นสบายใจก็รู้ชัดว่าเราสบายใจ เพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งโมสมนัสเวทนานั่นแลดับไปเธอก็รู้ชัดว่าโสมนัสสินสีที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งโมสมนัสเวทนาที่เสวยอยู่อันเกิดจากผัสสะนั่นดับไปคือสงบไปโทมนัสสินสีเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสเวทนา ภิกษุนั้นไม่สบายใจก็รู้ชัดว่าเราไม่สบายใจเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมาัสเวทนานั่นแหละดับไปเธอก็รู้ชัดว่าสิ่งนั้นดับไปคือสงบไปอุเบกขินสีเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเวทนาภิกษุนั้นวางเฉย ก็รู้ชัดว่าเราวางเฉยเพราะอัฏะอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาวเวทนานั่นแลดับไปเธอก็รู้ชัดว่าสิ่งนั้นดับไปคือสงบไปภิกษุทั้งหลายเพราะไม้สองอันเสียดสีกันจึงเกิดความร้อนลุกเป็นไฟขึ้นเพราะแยกไม้สองอันนั้นออกจากกัน ความร้อนที่เกิดจากการเสียดสีนั้นก็ดับไ ป, ประงับไปแม้ชันใดสุขขินรีทุกขินรีโสมนสินรีโทมน ส, นสินรีและอุเปกขินรีก็เช่นเดียวกันเมื่อเกิดขึ้นภิกษุนั้นก็รู้ชัดว่าเกิดขึ้นเมื่อดับไปก็รู้ชัดว่าดับไ ป, ประงับไป ว่าโดยอินทรีย์ที่เกิดสับลำดับกันภิกษุทั้งหลายอินทรีย์ห้าประการนี้คือทุกขินทรีย์โทมนัสินทรีย์สุ ข, ขินทรีย์โสมนัสินทรีย์และอุเปกขินทรีย์เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ ทุกขินซีย่อมเกิดขึ้นเธอรู้ชัดว่าทุกขินซีนี้เกิดขึ้นแก่เราและทุกขินซีนั้นมีเครื่องหมายมีเหตุมีสิ่งปรุงแต่งมีปัจจัยทั้งเป็นไปไม่ได้เลยที่ทุกขินซีนั้นซึ่งไม่มีเครื่องหมายไม่มีเหตุไม่มีสิ่งปรุงแต่งไม่มีปัจจัยจะเกิดขึ้น เธอรู้ชัดทุกขินสีรู้ชัดความเกิดแห่งทุกขินสีรู้ชัดความดับแห่งทุกขินสีและรู้ชัดที่ดับไปไม่เหลือแห่งทุกขินสีที่เกิดขึ้นแล้วทุกขินสีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่เหลือในที่ไหนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลละธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขที่เกิดจากวิเวกอยู่ทุกขินีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่เหลือในปฐมฌานนี้ภิกษุนี้เรากล่าวว่ารู้ความดับแห่งทุกขินีแล้วน้อมจิตไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นเมื่อภิกษุในธรรมวิันนี้ ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่โทมานัสินสีย่อมเกิดขึ้นเธอรู้ชัดว่าโทมานัสินสีนี้เกิดขึ้นแก่เราและโทมานัสินสีนั้นมีเครื่องหมายมีเหตุมีสิ่งปรุงแต่งมีปัจจัยทั้งเป็นไปไม่ได้เลยที่โทมานัสินสีนั้นซึ่งไม่มีเครื่องหมายไม่มีเหตุไม่มีสิ่งปรุงแต่ง ไม่มีปัจจัยจะเกิดขึ้นได้เธอรู้ชัดโทมนัสสินสีรู้ชัดความเกิดความดับและรู้ชัดที่ดับไปไม่เหลือแห่งโทมนัสสินสีที่เกิดขึ้นแล้วโทมานัสสินสีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่เหลือในที่ไหนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานที่มีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติลสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่โทมันนสินทร์ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่เหลือในทุติยฌานนี้ภิกษุนี้เรากล่าวว่า รู้ความดับแห่งโทมานั ส, สินซีล้วน้อมจิตไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นเมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่สุขินรีย่อมเกิดขึ้นเธอรู้ชัดว่าสุขินรีนี้เกิดขึ้นแก่เราและสุขินสีนั้นมีเครื่องหมายมีเหตุ มีสิ่งปรุงแต่งมีปัจจัยทั้งเป็นไปไม่ได้เลยที่สุ ข, ขินีนั้นซึ่งไม่มีเครื่องหมายไม่มีเหตุไม่มีสิ่งปรุงแต่งไม่มีปัจจัยจะเกิดขึ้นเธอรู้ชัดสุ ข, ขินีรู้ชัดความเกิดความดับรู้ชัดที่ดับไปไม่เหลือแห่งสุ ข, ขินีที่เกิดขึ้นแล้วสุ ข, ขินีที่เกิดขึ้นแล้ว ยอมดับไปไม่เหลือในที่ไหนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะปีติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเตวยสุขด้วยนามกายบรรลุตัติยชานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขสุขขินซีที่เกิดขึ้นแล้ว ยอมดับไปไม่เหลือในตัติญาชานี้ภิกษุนี้เรากล่าวว่ารู้ความดับแห่งสุขคินรีแล้วน้อมจิตไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นเมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่โสมนัสเซนสียอมเกิดขึ้นเธอรู้ชัดว่า โสมนัสสินสีที่เกิดขึ้นแก่เราและโสมนัสสินสีนั้นมีเครื่องหมายมีเหตุมีสิ่งปรุงแต่งมีปัจจัยทั้งเป็นไปไม่ได้เลยที่โสมนัสสินสีนั้นซึ่งไม่มีเครื่องหมายไม่มีเหตุไม่มีสิ่งปรุงแต่งไม่มีปัจจัยจะเกิดขึ้นเธอรู้ชัดโสมนัสสินสีรู้ชัดความเกิดความดับ รู้ชัดที่ดับไปไม่เหลือแห่งโสมนัสสินสที่เกิดขึ้นแล้วโสมนัสสินสีที่เกิดขึ้นแล้ ว, สสลวย่อมดับไปไม่เหลือในที่ไหนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะละสุขละทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วบรรลุจตุทัตฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ โสมนาสินสีที่เกิดขึ้นแล้วยอมดับไปไม่เหลือในจตุทัตชา น, นี้ภิกษุนี้เรากล่าวว่ารู้ความดับแห่งโสมนาสินสีแล้วน้อมจิตไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นเมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อุเปกินสี ยอมเกิดขึ้นเธอรู้ชัดว่าอุเปกินรีนี้เกิดขึ้นแก่เราและอุเปกินรีนั้นมีเครื่องหมายมีเหตุมีสิ่งปรุงแต่งมีปัจจัยทั้งเป็นไปไม่ได้เลยที่อุเปกินรีนั้นซึ่งไม่มีเครื่องหมายไม่มีเหตุไม่มีสิ่งปรุงแต่งไม่มีปัจจัยจะเกิดขึ้นเธอรู้ชัดอุเปกินรี รู้ชัดความเกิดแห่งอุเปกินรีรู้ชัดความดับแห่งอุเปกินสีและรู้ชัดที่ดับไปไม่เหลือแห่งอุเปกินรีที่เกิดขึ้นแล้วอุเปกินรีที่เกิดขึ้นแล้วยอมดับไปไม่เหลือในที่ไหนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ก้าวล่วงเนวาสัญญานาสัญญายตนาชาโดยประการทั้งปวงแล้ว เข้าสัญญาเวทาอิตะนิโรธาสมาบตดอยู่อุเปกินสีที่เกิดขึ้นแล้วยอมดับไม่เหลือในสัญญาเวทาอิตานิโรธาสมาบตดนี้ภิกษุนี้เรากล่าวว่ารู้ความดับแห่งอุเปกินสีแล้วน้อมจิตไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นเชราวั หมวดว่าด้วยความแก่สมัยหนึ่งนกรุงสาวรธีครั้งนั้นอันพระอนน์เข้าเฝ้าถวายอภิวาตและบีบนวดพระวรากายของพระผู้มีพระภาคด้วยฝ่ามือลางกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าแบบนี้พระชวีวันไม่บริสุทธิ์ผุดพ่องเหมือนเมื่อก่อนพระอวัยวะทุกส่วน ก็เหี่ยวย่นเป็นเกลียวพระวรากายก็้อมไปข้างหน้าและพระอินทรียีทั้งหลายคือจักขุนซีโสตินรีคานินรีชิวหินรีและกายินรีก็ปรากฏแปรเปลี่ยนไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจิงอย่างนั้นอนนท์ความแก่มีอยู่ในความเป็นหนุ่มสาว ความเจ็บไข้มีอยู่ในความไม่มีโรคความตายก็มีอยู่ในชีวิตผิวพันธุ์ไม่บริสุทธิ์ผุดพองเหมือนเมื่อก่อน อ, ว, อวัยวะทุกส่วนก็เหี่ยวย่นเป็นเกลียวกายก็ค้อมไปข้างหน้าและอินทรีย์ทั้งหลายก็ปรากฏแปรเปลี่ยนไปตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า ถึงท่านจะติความแก่ที่เลวสามจติความแก่ที่ทำให้ผิวพันซามไปสักเพียงใดรูปที่น่าพึงพอใจก็คงถูกความแก่ย่ำยีเพียงนั้นแม้ผู้ใดพึงมีชีวิตอยู่ถึงหนึ่งร้อยปีผู้นั้นก็มีความตายอยู่เบื้องหน้าความตายไม่ละเว้นใครๆยอมย่ำยีสัตว์ทั้งหมดทีเดียว ว่าด้วยอุณนนาภ พ, พรามเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นพรามชื่ออุณนนาภะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับกราบทูลดังนี้ว่าท่านพระโคโดมอินทรีห้าประการนี้มีอารมณ์ต่างกันมีโคจรต่างกันไม่สวยอารมณ์อันเป็นโคจรของกันและกัน อินทรีห้าประการนั้นคือจากขุนทรีโสตินทรีคานินทรีชิวหินทรีและกายทรีท่านพระโคดมอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวของอินทรีห้าประการนี้ที่มีอารมณ์ต่างกันมีโคจรต่างกันไม่สวยอารมณ์อันเป็นโคจรของการละกันและอะไรเล่า ยอมสวยอารมณ์อันเป็นโคโจรของอินทรีห้าประการนี้ตรัสว่ารามใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวของอินทรีห้าประการนี้และใจยอมสวยอารมณ์อันเป็นโคโจรของอินทรีห้าประการนี้ทูลถามว่าอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวของใจตรงตอบว่าสติ เป็นที่ยึดเหนี่ยวของใจอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวของสติวิมุตเป็นที่ยึดเหนี่ยวของสติอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวของวิมุตนิพพานเป็นที่ยึดเหนี่ยวของวิมุตทูลถามว่าท่านพระโคดมอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวของนิพพานตรัสว่าท่านล่วงเลยปัญหาไป ไม่สามารถกําหนดที่สุดแห่งปัญหาได้ด้วยว่าพระมจันท ร, ร์ที่บุคคลอยู่จบแล้วยังลงสู่นิพพานมีนิพพานเป็นเบื้องหน้ามีนิพพานเป็นที่สุดลำดับนั้นอุณาภ พ, พรามชื่นชมยินดีพระพาสิทถวายอภิวาทแล้วจากไปครั้นรณาภพรามจากไปได้ไม่นาน พระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเรือนยอดหรือศาลาเรือนยอดมีหน้าต่างอยู่ด้านทิศตะวันออกเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นแสงดวงอาทิตย์ต่องเข้าไปทางหน้าต่างจะปรากฏที่ไหนทูลตอบว่าที่ฝาด้านทิศตะวันตกภิกษุทั้งหลายอุปมาณ้ฉันใด อุปมาอีกก็ฉันนั้นเหมือนกันศรัทธาในตถาคตของอุณาภาพรามตั้งมั่นอย่างรากลงแล้วมั่นคงอันสมณะหรือพรามเทวดาหรือมารลมหรือไกลในโลกให้วันไหวไม่ได้ถ้าอุณาภาพรามพึงทากาละในเวลานีไซไยย่อมไม่มีสังโย์ที่เป็นเครื่องประกอบให้อุณาภาพรามต้องมาสู่โลกนี้อีก ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่เมืองสาเกตสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นาป่าอัญชนะวันณที่นั้นพระบสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเหตุที่อินทรีห้าประการอาศัยแล้วกลายเป็นพละห้าประการและที่พละห้าประการอาศัยแล้วกลายเป็นอินทรีห้าประการ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 สิ่งใดเป็นศัทธาภละสิ่งนั้นเป็นสัตินีสิ่งใดเป็นวิรยินีสิ่งนั้นเป็นวิริยะภละสิ่งใดเป็นวิริยะภละสิ่งนั้นเป็นวิรยินีและโดยในยะเดียวกันสิ่งใดเป็นสตินีสิ่งนั้นเป็นสติภละสิ่งใดเป็นสมาธินีสิ่งนั้นเป็นสมาธิภละ สิ่งใดเป็นปัญญีสีสิ่งนั้นเป็นปัญญาภะสิ่งใดเป็นปัญญาภะสิ่งนั้นเป็นปัญญนสีพิกษุนทั้งหลายแม่น้าไหลไปสู่ทิศปราจีนบ่าลากไปสู่ทิศปราจีนกลางแม่น้านั้นมีเกาะเหตุที่จะให้นับว่าแม่น้านั้นมีกระแสดเดียวมีอยู่และเหตุที่จะให้นับว่า แม่น้ำนั้นมีสองกระแสก็มีอยู่เหตุที่จะให้นับว่าแม่น้ำนั้นมีกระแสเดียวคือน้ําที่อยู่สุดทิศตะวันออกและสุดทิศตะวันตกของเกาะนั้นนี้แหละคือเหตุที่ให้นับว่าแม่น้ำนั้นมีกระแสเดียวเหตุที่จะให้นับว่าแม่น้ำนั้นมีสองกระแสคือน้ําที่อยู่สุดทิศเหนือและสุดทิศใต้ของเกาะนั้น นี้แหละคือเหตุที่ให้นับว่าแม่น้ำนั้นมีสองกระแสแม้ฉันใดภิกสุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสิ่งใดเป็นสัตทินสีสิ่งนั้นเป็นสัทธาภละสิ่งใดเป็นสัทธาภละสิ่งนั้นเป็นสัตทินสีและโดยนัยะเดียวกันสิ่งใดเป็นวิริยินรี สิ่งนั้นเป็นวิริยะพละสิ่งใดเป็นสตินสีสิ่งนั้นเป็นสติพละสิ่งใดเป็นสมาธินสีสิ่งนั้นเป็นสมาธิพละสิ่งใดเป็นปัญญินสีสิ่งนั้นเป็นปัญญาพละสิ่งใดเป็นปัญญาพละสิ่งนั้นเป็นปัญญินสีภิษุทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อนหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเพราะอินทรีย์ห้าประการที่ภิกษุนั้นเจริญทำให้มากแล้วว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่ปุกภาโกตกัสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับยุ่หน้าปุกภาโกตกั เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นรับสั่งเรียกท่านพระสาวรีบุตรมาตรัสว่าสาวรีบุตรเธอเชื่อหรือไม่ว่าสัตคินรีที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมะตะมีอมะตะเป็นที่ไปในเบื้องหน้ามีอมะตะเป็นที่สุดและโดยในยาดเดียวกันตรัสถึงเรื่องอินซีห้าประการ ตั้งแต่สัตทินรี่จนถึงปัญญินรี่นั้นที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมหยั่งลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่ไปในเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดสาวรีบุตรเธอเชื่อหรือไม่ว่าอินรียห้าประการนี้คือสัตทินรี่จนถึงปัญญินรี่นั้นที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้ว ย่อมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่ไปในเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้ชนเหล่าใดไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจมิได้ทาให้แจ้งมิได้สัมผัสด้วยปัญญาชนเหล่านั้นพึ่งถึงความเชื่อต่อผู้อื่นในข้อนั้นว่าอินทรีย์ห้าประการ คือตั้งแต่สัตทินทร์สีจนถึงปัญญินทรีนั้นที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วยอมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้ชนเหล่าใดรู้เห็นเข้าใจทําให้แจ้งสัมผัสด้วยปัญญาแล้วชนเหล่านั้นย่อมไม่มีความสงสัย ไม่มีความแคลงใจในข้อนั้นเลยว่าอินสี่ห้าประการนั้นที่บุคคลเจริญทาให้มากแล้วยอมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดก็ข้อนั้นข้าพระองค์รู้เห็นเข้าใจทำให้แจ้งสัมผัสด้วยปัญญาแล้วข้าพระองค์ไม่มีความสงสัย ไม่มีความแคลงใจในข้อนั้นเลยว่าอินทรีห้าประการนั้นคือสัตว์อินทรีจนถึงปัญญินทรีที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดพระผู้มีพระภาคตรัสรับรองข้อความของท่านพระสาวรีบุตรโดยตรัสข้อความนั้นเหมือนกันทุกประการกับท่านพระสาวรีบุตรนะครับ ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่บุปผารามสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราศาสตร์ของนางวิสาขามิขารมาตาในบุพผารามเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุขีณาศพพยากรณ์อรหัตผลว่า เรารู้ชัดว่าชาติาสิ้นแล้วอยู่จบรมจรันแล้วทำกิจที่ควรทําเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเพราะอินทรีย์อย่างหนึ่งที่ภิกษุขี่นาศพเจริญทําให้มากแล้วอินทรีย์อย่างหนึ่งนั้นคือปัญญินทรีย์ศรัท ธ, ธาที่เป็นไปตามปัญญาวิริยะที่เป็นไปตามปัญญา สติที่เป็นไปตามปัญญาสมาธิที่เป็นไปตามปัญญาของอริยาสาวกผู้มีปัญญาย่อมตั้งมัน่นภิกษุขีณาสกพยากรณ์อรหัตผลว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบปรมจรรย์แล้วทมกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป พราะอินทรีย์อย่างหนึ่งนี้ที่ภิกษุขีณาศพเจริญทําให้มากแล้วอีกประการหนึ่งภิกษุขีณาศพพยากรณ์อรหัตผลเพราะอินทรีย์สองประการที่ภิกษุขีณาศพเจริญทําให้มากแล้วคือหนึ่งปัญญาที่เป็นอริยะและสองวิมุติที่เป็นอริยะ ปัญญาที่เป็นอริยะเป็นปัญญินรีวีมุตที่เป็นอริยะเป็นสมาธินรีอีกประการหนึ่งภิกษุขีณนาศพยากรณ์อรหัตตผลเพราะอินรีสีประการที่ภิกษุขีณนาศเจริญทาให้มากแล้วอินรีสีประการนั้นคือวิริอินรีสตินรี สมาธินรียและปัญญินรียอีกประการหนึ่งภิกษุขีณาศพพยากรณ์อรหัตผลว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วเป็นต้นนั้นเพราะอินทรีห้าประการที่ภิกษุขีณาศพเจริญทําให้มากแล้วอินทรีห้าประการนั้นได้แก่สัตทินรียอินทรีย์คือศรัทธา วิริยินทรีอินทรียคือวิริยะสตินทรีอินทรียคือสติสมาธินทรีอินทรียคือสมาธิและปัญญินทรีอินทรียคือปัญญาว่าด้วยพระปินโทละภารัตวาชะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ณโคสิตารามเกตกรุงโกสัมพีสมัยนั้นท่านพระปิณฑลภารทวช้ได้พยากรณ์อรหัตตผลว่าเรารู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วอยู่จบรมจรรย์แล้วตามกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปครั้งนั้นภิกษุจำนวนมากเข้าเฝ้า ปราบทูลเรื่องนี้ให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุปินโฑละ า, ารัตวาชะพยากรณ์อรหัตผลดังนั้นเพราะอินทรีสามประการที่ภิกษุปินโฑละ า, ารัตวาชะเจเริญทำให้มากแล้วอินทรีสามประการนั้นคือสัทธินทรียีสมาธินทรียีและปัญญินทรียี อินทีสามประการนี้มีอะไรเป็นที่สุดคือมีความสิ้นไปเป็นที่สุดอะไรมีความสิ้นไปเป็นที่สุดคือชาติความเกิดชราและมรณะมีความสิ้นไปเป็นที่สุดภิกษุปินโทละพารัตวาชาพิจารณาเห็นว่าชาติชราและมรณะสิ้นไป จึงพยากรณอรหัตผลว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปว่าด้วยพระธรรมเทศนาอิอาปนานิคมสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ น, นิคมของชาวอังคะ ออาปณะแควนอังคะณที่นั้นรับสั่งเรียกท่านพระสารีบุตรมาตรัสว่าสาวรีบุตรอริยาสาวกใดมีศรัทธามั่นคงเลื่อมใส ย, ยิ่งในตถาคตอริยาสาวกนั้นไม่พึงสงสัยหรือเคลือบแคลงในตถาคตหรือในคําสอนของตถาคตท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระอริยาสาวกใดมีศรัทธามั่นคงเลื่อมใสยอย่างยิ่งในพระตถาคตพระอริยาสาวกนั้นไม่พึงสงสัยหรือเคลือบแคลงในพระตถาคตหรือในคําสอนของพระตถาคตอันหนึ่งพระอริยาสาวกผู้มีศรัทธาพึงหวังได้ว่าจะเป็นผู้ปรารบความเพียร เพื่อละอกุศลธรรมเข้าถึงกุศลธรรมมีความเข้มแข็งมีความบากบัน่นมั่นคงไม่ทอธทุระในกุศลธรรมอยู่ก็วิริยะของพระอริยสาวกนั้นพึงจัดเป็นวิริยินทรสีอันหนึง่งพระอริยสาวกผู้มีศรัทธาปรารบความเพียรพึงหวังได้ว่า จกเป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่งระลึกนึกถึงสิ่งที่ทาคําที่ได้พูดไว้นานบ้างก็สติของพระอริยาสาวกนั้นพึงจัดเป็นสตินสีพระอริยาสาวกผู้มีศรัทธาปรารบความเพียรมีสติมั่นคงพึงหวังได้ว่า จะทำนิพพานให้เป็นอารมณ์ได้สมาธิได้เอกขัตตาจิตก็สมาธิของพระอริยาสาวกนั้นพึงจัดเป็นสมาธินีพระอริยาสาวกผู้มีศรัทธาปรารกความเพียรมีสติมั่นคงมีจิตตั้งมั่นพึงหวังได้ว่าจะรู้ชัดว่าสงสาร คือวัตตะสงสารนั้นมีที่สุดและเบื้องต้นกาหนดรู้ไม่ได้เบื้องต้นและที่สุดไม่ปรากฏแกเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาปิดกัน้นมีตัญหาผูกไว้แล่นไปท่องเที่ยวไปส่วนความดับกองแห่งความมืดคืออวิชชาไม่ให้เหลือด้วยวิราคะนี้เป็นทางอันสงบ นี้เป็นทางอันประณีตคือความระ ง, งับสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตัณหาความสิ้นกำหนัดความดับนิพพานก็ปัญญาของพระอริยาสาวกนั้นพึงจัดเป็นปัญญินรียข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระอริยาสาวก ผู้มีศรัทธานั้นพยายามอย่างนี้ครั้นพยายามแล้วระลึกอย่างนี้ครั้นระลึกแล้วตั้งมั่นอย่างนี้ครั้นตั้งมั่นแล้วรู้ชัดอย่างนี้ครั้นรู้ชัดแล้วย่อมเชื่อมั่นอย่างนี้ว่านี้แลคือธรรมะที่เราได้ฟังมาก่อนบัดนี้เราถูกต้องด้วยนามากายนั้นอยู่ และเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาก็ศรัทธาของพระอริยาสาวกนั้นพึงจัดเป็นสัตหินรีพระผู้มีพระภาคตรัสรับรองคำของท่านพระสาวรีบุตรด้วยข้อความเดียวกันเหมือนกันทั้งหมดสูกระคตววัก สมัยหนึ่งพระผู้มิพระภาคประทับอยู่หน้าหมู่บ้านพรามชื่อศาลาแขวนโกศลณที่นั้นพระภูมีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสัตดิรัชฐานเหล่าใดเหล่าหนึง่งพญาราชสีชาวโลกกล่าว่าเลิศกว่าสัตว์ดิรัชฐานเหล่านั้นเพราะอัลละกําลัง ความเร็วความกล้าแม้สันใดโพธิปัจกิยธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งปัญญีสีบัณฑิตเปล่าว่าเลิศกว่าโพธิปัจกิยธรรมเหล่านั้นเพราะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ก็ฉันนั้นเหมือนกันโพธิปัจกิยธรรมอะไรบ้างคือสัตทินรียเป็นโพธิปัจกิยธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ วิริยินรีสตินรีสมาธินรีและปัญญนรีเป็นโพธิปัจจียธรรมยอมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่นิคมของชาวมัลละสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทรับอยู่ณนิคมของชาวมัลละชื่ออุรุเวลากระปะแขวนมัลละ ณนะที่นั้นแลรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายอริยญาณ ย, ยังไม่เกิดขึ้นแก่อริยาสาวกเพียงใดอินทรีย์สี่ประการก็ชื่อว่ายังไม่ตั้งมันไม่อย่างลงเพียงนั้นแต่เมื่อใดอริยญาณเกิดขึ้นแก่อริยาสาวกเมื่อนั้นอินทรีย์สีประการ ก็ชื่อว่ายอมตังมันยอมอย่างลงภิกษุทั้งหลายยอดของเรือน ย, ยอดเขายังไม่ยกขึ้นเพียงใดก่อนทั้งหลายก็ชื่อว่ายังไม่ได้ตั้งยังไม่ได้ใส่เพียงนั้นแต่เมื่อใดยอดของเรือนเขายกขึ้นแล้วเมื่อนั้นก่อนทั้งหลายก็ชื่อว่า ไ, ได้ตั้งได้ใส่ไว้ แม้ฉันใดอริยาญาณก็ฉันนั้นเหมือนกันอย่างไม่เกิดขึ้นแก่อริยาสาวกเพียงใดอินทรีย์ีประการก็ชื่อว่ายังไม่ตั้งมัน่นไม่อย่างลงเพียงนั้นแต่เมื่อใดอริยาญาณเกิดขึ้นแก่อริยาสาวกเมื่อนั้นอินทรีย์สีประการก็ชื่อว่ายอมตั้งมัน่นยอมอย่างลงอินทรีย์สีประการนั้นคือ สัทธินรีวิริยินรีสัตตินรีและสมาธินสีภิกษุทั้งหลายศรัทธาที่เป็นไปตามปัญญาวิริยะที่เป็นไปตามปัญญาสติที่เป็นไปตามปัญญาสมาธิที่เป็นไปตามปัญญาของอริยส า, าวกผู้มีปัญญาย่อมตั้งมัน ว่าด้วยพระเสขะและพระอาเสขะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโคสิตารามเขตกรุงโกสัมพีณที่นั้นรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเหตุที่ให้ภิกษุผู้เป็นเสขะอาศัยแล้วตั้งอยู่ในเสขะภูมิรู้ชัดว่าเราเป็นพระเสขะ และที่ให้ภิกษุผู้เป็นอาเศขะ อ, อาศัยแล้วตั้งอยู่ในอาเสขะภูมิรู้ชัดว่าเราเป็นพระอาเศขะ ข, ข้อนี้มีอยู่เหตุที่ให้ภิกษุผู้เป็นเสขะอ า, า, าศัยแล้วตั้งอยู่ในเสขะภูมิรู้ชัดว่าเราเป็นพระเสขะคือภิกษุผู้เป็นเสขะในธรรมวินัยนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุก นิทุกขะสมุทยัยนิทุกขะนิโรธนิทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาอีกประการหนึ่งภิกษุผู้เป็นเสขะพิจาจรณาเห็นว่าสมณะหรือพราะอื่นนอกศาสนานี้ผู้ที่แสดงธรรมจริงแท้แน่นอนเหมือนพระผู้มีพระภาคไม่มีเลยอีกประการหนึ่งภิกษุ ผู้เป็นเสกขะยอมรู้ชัดอินทรีห้าประการนี้คือสัตทินทรีวิริยินทรีสัตตินทรีสมาทินทรีและปัญญนรีอินทรีห้าประการซึ่งมีคติมีความเป็นเลิศมีผลและมีที่สุดเธ อ, อยังไม่ถูกต้องด้วยนา ม, มากายแต่เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญา เหตุที่ให้ภิกษุผู้เป็นเสขะอาศัยแล้วตั้งอยู่ในเสขาภูมิรู้ชัดว่าเราเป็นพระเสขะเป็นอย่างนี้แลสำหรับคำว่าพระเสขะหมายถึงพระอริยะตั้งแต่เบื้องต้นแต่ยังไม่ถึงอรหัตผลส่วนพระอเซขะนั้นหมายถึงพระอรหรันเหตุที่ทำให้ภิกษุ ผู้เป็นอเซขะอาศัยแล้วตั้งอยู่ในอเซขะภูมิรู้ชัดว่าเราเป็นอเซขะคือภิกษุผู้เป็นอเซขะในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดอินทรียห้าประการนี้คือสัจจินรียวิริยินรียสตินินรียสมาธินรียและปัญญินรียอินทรี่ห้าประการซึ่งมีคติมีความเป็นเลิศมีผล และมีที่สุดเธอยังไม่ถูกต้องด้วยนามากายแต่เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาอีก ป, ประการหนึ่งภิกษุผู้เป็นอเศขะคือเป็นพระอรหันนั้นย่อมรู้ชัดอินรีหกประการคือจกักขุนสีโสตินรีคานินรีชิวหินรีกายินรีและมานินรีเธอรู้ชัดว่า อินสีหกประการนี้จะดับทุกสิ่งโดยอาการทั้งหมดทุกอย่างไม่เหลือโดยประการทั้งปวงและอินรีหกประการอื่นก็จะไม่เกิดในภพไหนไหนเหตุที่ให้ภิกษุผู้เป็นอเศขะอาศัยแล้วตั้งอยู่ในอเซขาภูมิรู้ชัดว่าเราเป็นพระอเซขาเป็นอย่างนี้แล ว่าโดยอุปมาด้วยรอยเท้าสัตว์ภิกษุทั้งหลายรอยเท้าของสัตว์ที่เที่ยวไปบนแผ่นดินทั้งหมดรวมลงในรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างชาวโลกกล่าวว่าเลิศกว่ารอยเท้าเหล่านั้นเพราะเป็นรอยใหญ่แม้ฉันใดบทแห่งธรรมะเหล่าใดเหล่านึงยอมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ปัญญสีบัณฑิต กล่าวว่าเลิศกว่าบทแห่งธรรมะเหล่านั้นเพราะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ก็ฉันนั้นเหมือนกันบทแห่งธรรมคือธรรมะที่เป็นไปเพื่อความตรัสรู้อะไรบ้างคือสัตธินีวิริยินีสัตตินีสมาธินีและปัญญินีเป็นบทแห่งธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ อุปมาด้วยแก่นไม้ภิกษุทั้งหลายกลิ่นหอมที่เกิดจากแก่นชนิดใดชนิดหนึ่งจันแดงชาวโลกกล่าวว่าเลิศกว่ากลิ่นหอมที่เกิดจากแก่นเหล่านั้นแม้ฉันใดโพธิปักิยธรรมเหล่าใดเหล่านึงปัญญีสีบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าโพธิปักิยธรรมเหล่านั้นเพราะเป็นไปเพื่อตรัสรู้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน โอทิปักขิยธรรมอะไรบ้างคือสัจตินรียวิริยินทรียีสัจตินรียสมาธินรีและปัญญียเป็นโพธิปักขิยธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ว่าด้วยภิกษุตั้งอยู่ในธรรมอันเป็นเอกภิกษุทั้งหลาย อินทรีห้าประการเป็นอันภิกษุผู้ตั้งอยู่ในธรรมะอันเป็นเอกเจริญอบรมดีแล้วธรรมะอันเป็นเอกคือความไม่ประมาทความไม่ประมาทคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรักษาจิตในธรรมะทั้งหลายทั้งที่เป็นอาสวะและที่เป็นไปพร้อมกับอาสวะเมื่อเธอรักษาจิตในธรรมะทั้งหลาย ทั้งที่เป็นอาสวะและที่เป็นไปในพร้อมกับอาสวะสัตตินรียก็ดีวิริยินทรีย์ก็ดีสตินินรียก็ดีสมาธินรียก็ดีปัญญินรียก็ดีย่อมถึงความเจริญเต็มที่ภิกษุทั้งหลายอินทรีย์ห้าประการเป็นอันภิกษุผู้ตั้งอยู่ในธรรมะอันเป็นเอกเจริญอบรมดีแล้ว แม้อย่างนี้แหละว่าด้วยเท้าสหัมบดีพรมสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคแรกตรัสรู้ประทับอยู่ใต้ต้นอัชะปาละนิโครปริมฝั่งแม่น้ำเนรันชราตำบลอุรุเวลาทรงหลีกเรน์อยู่ในที่สงัดได้เกิดความรำพึงขึ้นว่าอินทรีห้าประการ ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดอินทรีห้าประการอะไรบ้างคือสัตทินทรีวิริยินทรีสตินทรีสมาทรีและปัญญทรีที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดครั้งนั้นท้าวสหบดีพรมทราบความรําพึงของพระผู้มีพระภาคจึงหายตัวจากพรหมโลกมาปรากฏต่อหน้าพระภาคของพระผู้มีพระภาคแล้วทูลว่าข้าแต่พระสุคตเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นอินรียห้าประการที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องเคยมีมาแล้วข้าพระองค์ได้ประพฤติโรหมจรรย์ในพระกัศสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ในสมัยนั้นพวกเขารู้จักข้าพระองค์อย่างนี้ว่าสหากะภิกษุข้าพระองค์นั้นคลายการมาชันทะในการมทั้งหลาย หลังจะตายแล้วไปเกิดในสุคติรมมโลกเราะอินทรีห้าประกาศที่ข้าพระองค์เจริญทําให้มากแล้วแม้ในรมมโลกนั้นพวกเขาก็รู้จักข้าพระองค์ว่าชาวสหัมบดีพรมข้าแต่พระผู้มีพระภาคเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นข้าพระองค์รู้ข้าพระองค์เห็นข้อที่อินทรีย์ที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้ว อย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดว่าด้วยการสนทนาธรรมที่ถ้ำสุกรคตะหรือถ้ำสุกรขาตาณถ้ำนะสุกรขาตาเขตกรุงราชคฤห์ณนะที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระสารีบุตร มาตรัดถามว่าสารีบุตรภิกษุขีณาศพเห็นอํานาจประโยชน์อะไรจึงประพฤติ น, นอบน้อมอย่างยิ่งในตถาคตหรือในคําสอนของตถาคตทูลตอบว่าภิกษุขีณาศพเห็นธรรมะเป็นแดนกเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมจึงประพฤติ น, นอบน้อมอย่างยิ่งในพระตถาคตหรือในคําสอนของพระตถาคต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุขี่นาศพในพระธรรมวิเนยนี้จเจริญสัสตินรีย์ที่ให้ถึงความสงบให้ถึงความตรัสรู้จเจริญวิริยินรียสตินินรียสมามินสีจเจริญปัญญินทรีย์ที่ให้ถึงความสงบให้ถึงความตรัสรู้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมะเป็นแดนกเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมนี้ ที่ภิกษุขี่นาศพเห็นอยู่จึงประพฤตินอบน้อมอย่างยิ่งในพระตถาคตหรือในคำสอนของพระตถาคตการนอบน้อมอย่างยิ่งที่ภิกษุขี่นาศพประพฤติในตถาคตหรือในคำสอนของตถาคตคือภิกษุขี่นาศในพระธรรมวินัยนี้มีความเคารพยำเกรงในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในศิกขาในสมาธิ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้แหละคือการนอบน้อมอย่างยิ่งที่ภิกษุขีณาศพประพฤติในพระตถาคตหรือในคําสอนของพระตถาคตพระผู้มีพระภาคตรัสรับรองคําตอบของท่านพระสาวริบุตรทุกประการว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งอินทรีย์ เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายอินรีห้าประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นเว้นความอุบัติขึ้นของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมไม่เกิดขึ้นเว้นวินัยของพระสุคตย่อมไม่เกิดขึ้นอินรีห้าประการนั้นคือสัทธินรีอินรีคือศรัทธา วิริยินทรียอินทรียคือวิริยะความเพียรสติินทรีอินทรียคือสติสมาิทรียอินทรียคือสมาธิและปัญญทรียอินทรียคือปัญญาโพธิปัจกียวักหมวดว่าด้วยโพธิปัจกียธรรมว่าด้วยธรรมะ ที่เป็นไปเพื่อละสังโยชน์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิสุทธ์ทั้งหลายอินทรีห้าประการนี้ที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วยอมเป็นไปเพื่อละสังโยชน์อินทรีห้าประการอะไรบ้างคือสัตทินทรีวิริยินทรีสตินทรีสมาธินทรี และปันยินซีภิกษุทั้งหลายอินรีห้าประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วยอมเป็นไปเพื่อถอนอนุสัยยอมเป็นไปเพื่อกำหนดรู้อัธฐานะคือทางไกลยอมเป็นไปเพื่อละสังโยชน์เพื่อความสิ้นอาสวะภิกษุทั้งหลาย เพราะอินทรีย์ห้าประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วพึงหวังผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุ ป, ปาทานเหลืออยู่ก็จกเป็นพระอนาคามีภิกษุทั้งหลายต้นไม้ที่มีอยู่ในชมพูทวีปเหล่าใดเหล่านึงต้นว่า ลกล่าวโลกกล่าวว่าเลิศกว่าต้นไม้เหล่านั้นแม้ฉันใดโพธิปัิยธรรมเราได้เหล่าหนึ่งปัญญีย์อินทรียคือปัญญานั้นบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าโพธิปัิยธรรมเหล่านั้นเพราะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้โพธิปัิยธรรมอะไรบ้างคือสัจตินรียอินทรีย์คือศรัทธาเป็นโพธิปัิยธรรม ย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้วิริยินรีสตินรีสมาธินรีปัญญทรีเป็นโพธิปกิยธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้และโดยในยะเดียวกันทรงเปรียบต้นไม้เหล่าใดเหล่าหนึ่งของเหล่าเทพชั้นดาวดึงคือต้นเปาริชตตกะว่าเป็นเลิศกว่าต้นไม้เหล่านั้น ต้นจิตตาปาตาลีต้นไม้ประจําพิภพอสูนก็เป็นเลิศ ก, กว่าต้นไม้เหล่าอื่นในภพนั้นต้นโกสิมพลีก็เป็นเลิศ ก, กว่าต้นไม้เหล่าอื่นของพวกครุฑข้อนี้แม้ฉันใดโพธิปัจกิยธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งปัญญิีสีปัญรียคือปัญญานั้นบัณฑิตกล่าวว่าเลิศ ก, กว่าโพธิปัจกิยธรรมเหล่านั้นเพราะเป็นไป เพื่อความตรสัสรู้ภิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนบ่าไปสู่ทิศปราจีนหลากไปสู่ทิศปราจีนแม้ฉันใดภิกษุก็ชันนั้นเหมือนกันเมื่อเจริญอินทรียาหประการทำอินทรียาหประการให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโ้นมไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพานคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสัตทินสีอันอาศัยวิเวกอันอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวตสักคะเจริญวิริยินสีเจริญสัตทินสีเจริญสมาทินสีเจริญปัญยินรีอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสักคะภิกษุทั้งหลายอุทธรรมภาคิยะสังโยชน์คือสังโยชน์เบื้องสูงห้าประการนี้ได้แก่รูปราคะอรูปราคะมานะอุทธจัจจะอวิชชาภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญอินทรีย์ห้าประการเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไป ละอุดัมภาคียะสังโยชน์ห้าประการนี้อินซีห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสัตทินซีจนถึงเจริญปัญญินซีอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสัก ข, ขะคือความสละภิกษุทั้งหลายแม่น้าคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนบา หลากไปสู่ทิฏฐปราจีนแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเจริญอินทรียาหประการทำอินทรียาหประการให้มากย่อมน้อมโน้มและโอนไปสู่นิพพานภิกษุกในธรรมวินัยนี้เจริญสัตยินทรีจนถึงปัญญินทรีนั้นอันเป็นธรร ม, มะมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุด ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญอินทรีย์ห้าประการเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุธทมภาคียสังโยชน์ห้าประการคือรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธจักและอวิชชาอินทรีย์ห้าประการคือเจริญสัทตินทรีอันเป็นธรรมะมีการกำจัดราคะ โทสะและโมหะเป็นที่สุดเจริญวิริยินรีย์อินทรียคือวิริยะความเพียรเจริญสตินรีย์อินทรีย์คือสติเจริญสมาธินรียอินทรีย์คือสมาธิเจริญปัญญินรีย์อินทรีย์คือปัญญาอันเป็นธรรมะมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุด สังยุตที่หสมมประธานสังยุตพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสมมประธานสี่ประการนี้คือภิกษุในธรรมวินัยนี้สร้างชันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอากุศลละธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้น สร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อละบาปกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพินโยภาพไั่บูนเจริญเ ต, เต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีน บาหลากไปสู่ทิฏปราจีนแม่ชันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเจริญสัมมประธานสี่ประการทำสัมมารประธานสี่ประการให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานภิกษุกทั้งหลายการงานที่พึงทำด้วยกำลังทั้งหมดบุคคลต้องอาศัยแผ่นดินดำรงอยู่บนแผ่นดิน จึงทำได้แม้ฉันใดภิกษุก็ชั้นนั้นเหมือนกันอาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลแล้วจเจริญสัมมารประธานสี่ประการทําสัมมารประธานสี่ประการให้มากข้อนี้คือภิกษุในธรรมวินัยนี้สร้างชันทะพยายามปรารกความเพียรประคองจิตมุ่งมัน่นเพื่อป้องกันบาปอากุศลละธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น เพื่อละบาอากุศลละธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อทำกุศลละธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายอินโยภาพไภบูนเจริญเต็มที่แห่งกุศลละธรรมที่เกิดขึ้นแล้วภิกษุทั้งหลายการสแสวงหาสามประการนี้คือการสแสวงหากรมการสแสวงหาภพ และการสแสวงหาพรหมจรรย์ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญสมะประธานสี่ประการเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกําหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละการสแสวงหาสามประการนี้สําหรับในหมวดการสแสวงหาสามประการในหัวข้อนี้นั้นการสแสวงหาพรหมจรรย์ท่านให้ความหมายไว้ว่าหมายถึงมิจฉาทิฐินะครับ พระผู้มีประภาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอุทธรรมภาคิยสังโยชน้าประการนี้คือรุปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะและอวิชชาเธอทั้งหลายพึงเจริญสมมารประธานสี่ประการเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุทธรรมภาคิยสังโยชน้าประการนี้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 เจริญเต็มที่แห่งกุศ ล, ลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วพระละสั่งยุดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระละห้าประการนี้คือศรัทธาภละกำลังคือศรัทธาวิ ร, ยริยะภละกำลังคือวิริยะความเพียรสติพละกำลังคือสติ สมาธิพละกำลังคือสมาธิปัญญาพละกำลังคือปัญญาแม่น้ำคงคาที่ไหลไปสู่ทิศปราจีนบาหลากไปสู่ทิศปราจีนแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเจริญพละห้าประการทำพละห้าประการให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มโอนไปสู่นิพพาน คือภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญศรัทธาภละอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวตสักคะคือการสละเจริญวิริยภละสติภละสมาธิพละเจริญปัญญาภละอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวตสักคะคือการสลัก ภิกษุทั้งหลายอุทธรรมภากียสังโยชนห้าประการนี้คือรูปราคะอารูปราคะมานะอุทธจัจจะและอวิชชาเธอทั้งหลายพึงเจริญพละห้าประการเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกาหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุทธรมภาคียสังโยชนห้าประการนี้